เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจผสุทธ์ทุกๆ ท, ท, ท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่13สิงหาคมพุทธศักราช2555เป็นวันอยู่ชดเชยเนื่องในวันแม่แห่งชาติรงกับวันอาทิตย์ ทางราชการจึงได้มีวันชดเชยให้อีกหนึ่งวันเพื่อให้ชาวไทยเราได้มาประกอบคุมงานความดีทางที่เรามีวันสำคัญต่างๆและเป็นวันหยุดก็เป็นอุบายของนักบ่าของบัรฑพาบรุษทที่จะหลอกล่อ ให้พวกเราได้มีโอกาสมาทำความดีมาทำบุญกันเพราะบุญนี้เป็นเหมือนอาหารที่มีรสชาติอะไรอร่อยถ้าเราไม่ได้ชิมเราก็จะไม่รู้ว่ามีคุณค่าอย่างไรแต่ถ้าเราได้ชิมอาหารแล้วเราก็จะเกิดความติดอกติดใจ ก็อยากจะรับประทานอาหารอย่างนั้นอีกก็จะไม่ต้องรอวันสาคัญสาคัญถึงจะได้รับประทานเราก็จะรับประทานทุกวันทุกเวลาบุญก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่เคยได้ทำบุญเราจะไม่ได้สัมผัสกับรถของบุญซึ่งเป็นรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวง ไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้จะสุขเท่ากับการได้ทำบุญความสุขที่ได้จากการทำบุญนั้นทำให้ใจสงบนั่นเองนับป่าจึงต้องกำหนดวันสำคัญเพื่อให้ผู้ที่ไม่เคยได้ริมรถกับรถแห่งธรรมรถของบุญจะได้มีโอกาสได้ริมรถเช่นวัน สำคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆวันวิสาขะวันอาสาฬหะวันมาฆบูชาหรือวันทางวันอย่างอื่นเช่นวันพ่อวันแม่วันขึ้นปีใหม่วันส่ท้ายปีเก่าหรือวันสาคัญของเราเช่นวันเกิดวันหลังนี้เป็นวันที่จะ ให้เราได้มีโอกาสมาสัมผัสกับบุญคือความดีการทำบุญนี้ก็คือการทำความดีความดีนี้หมายความว่าอย่างไรคือการทำประโยชน์และสุขให้แก่ผู้ น, นั่นเองชีวิตเราส่วนใหญ่เรามักจะทำประโยชน์สุขให้กับตัวเรามากจนเกินไป ม า, มากไปในทางกิเลสไม่ใน ม, มากไปในทางธรรมความสุขที่เราได้จากการทําไปทางกิเลสนั้นกลับมีความทุกข์แถมมาด้วยไม่เหมือนกับการทําความดีไปในทางธรรมเช่นทําบุญให้ทานรักษาสิงหภาวนาเป็นการทําความดี ที่จะมีแต่ความสุขอย่างเดียวอย่างนั้นพอเราได้มาทำบุญได้มาทำประโยชน์ทำความสุขให้แก่ผู้อื่นเราก็จะได้ความสุขเกิดขึ้นมาภายในใจของเราแล้วพอเราได้สัมผัสกับความสุขในใจของเราแล้วเราก็จะเกิดความศรัทธาเกิดความยินดีที่จะ ทำบุญเพิ่มมากขึ้นไปเหมือนกับที่เราได้รองรับประทานอาหารที่มีรสชาติโอชะที่รสชาติอเรเดอร่อยเราไม่เคยรับประทานเราก็ไม่กล้ารับประทานเพราะไม่รู้ว่ามีรสชาติอย่างไรแต่พอเราถูกเหมือนกับบังคับเช่นไปบ้านเพื่อนแล้วเขาทากับข้าวให้เรารับประทาน หรือพาเราไปร้านอาหารแล้วสั่งอาหารที่ อ, อร่อยมาให้เรารับประทานเราไม่เคยรับประทานเพราะเราได้รับประทานเราก็จะรู้ว่าอาหารนี้ อ, อร่อยต่อไปเราก็จะสั่งอาหารนี้รับประทานอยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆฉันใดถ้าเราได้ทำบุญอย่างถูกวิธีเราจะได้รับสัมผัสกับความสุขใจ เมื่อเราได้รับแล้วก็จะทำให้เราเกิดมีความยินดีมีความขยันที่จะทำบุญเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆการทำบุญให้ทานที่ถูกลักษณะก็คือต้องทาเพื่อประโยชน์ของผู้ไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของตัวเราคือไม่อยากจะได้อะไรเป็นสิ่งตอบแทนไม่อยากจะได้ร่มรวย เหมือนคนที่เขาทำบุญในวันออกลอตเตอรี่เขาทำด้วยความโลภทำด้วยความหวังอยากจะได้ถูกลอตเตอรี่แต่พอทําไปแล้วลอตเตอรี่ออกมาไม่ถูกก็จะรู้สึกเสียใจแทนที่จะได้บุญกับเสียใจเพราะไม่ได้ทําตามหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอ น, นให้ทํานั่นเอง คือการทำบุญนี้เราต้องทำด้วยจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่โลกไม่อยากได้สิ่งตอบแทนไม่ว่าจากผู้รับก็ดีรู้จากผู้อื่นก็ดีเช่ <S <S นบางคนทำบุญเพื่ออยากจะให้คนอื่นเขารู้เป็นการประชาสัมพันธ์บริสัทธ์เวลาทำบุญแล้วต้องมีการถ่ายรูปลงหนังสือพิม อย่างนี้ไม่ได้ทําอย่างนี้แล้วใจจะไม่ได้รับความสุขเพราะทําด้วยความโลภเป็นเหมือนกับการเสียค่าโฆษณาซื้อค่าโฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์ให้ผู้เขารู้าว่าบ ร, ริษัทเหล่านี้เป็นบ ร, ริษัทที่ใจบุญมีความห่วงใยต่อสังคมแต่ความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นความจริงห่วงใยบ ร, ริษัทมากกว่าวกลัวบ ร, ริษัทจะเจง ก็เลยต้องทำการประชาสัมพันธ์ให้คนอื่นเขาได้สนับสนุนในสินค้าของบริษัทต่อไปทำอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการทำบุญทำบุญนี้ต้องไม่ต้องการอะไรเลยคือให้ทำแบบปิดทองหลังพระในหลวงท่านก็เคยต่ัสว่าพระพุทธรูปนี้ หน้าณด้านหน้านี้มีคนติดทองสั้นยอดแยะแล้วทำไมไม่ไปติดทองทางด้านหลังบ้างไม่มีใครติดกันเลยติดทองด้านหลังนี้ได้บุญมากกว่าติดทองด้านหน้าเพราะเราทาด้วยจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่ต้องการข่มตอบแทนใดๆทั้งสิน้นไม่ต้องการให้ใครรู้เสียด้วยซ้ำไปว่าเราได้ทาบุญ เช่นบางคนทําบุญแล้วต้องติดชื่อไว้สร้างปุติก็ต้องติดชื่อไว้สร้างแทงน้ําก็ต้องติดชื่อไว้อย่างนี้กลายเป็นกิเลสไปเพราะว่ายังไม่ปล่อยยังถือว่าเป็นของตนอยู่มีชื่อของตนอยู่การทําบุญนี้เพื่อให้เราปล่อยวางไม่ให้ยึดไม่ให้ติดกับสิ่งที่เราให้ไปแล้ว นี่คือถ้าเราทำอย่างนี้แล้วจิตใจของเราจะมีความสุขเมื่อเราได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากการศีรษะที่ไม่ต้องการประโยชน์อะไรจากการกระทำบุญนี้นอกจากประโยชน์สุขของผู้ที่ได้รับเท่านั้นใจของเราก็จะเกิดความสุขขึ้นมาแล้วต่อไปเราก็อยากจะทำบุญอีก เพราะเวลาทำบุญนี้เหมือนกับการให้อาหารแก่จิตใจนั่นเองเวลาทำบุญแล้วใจจะมีความอิ่มเอิบมีความสุขมีความพอจะไม่หิวอยากได้อะไรต่างๆแล้วก็จะทำให้เรามีความเมตตากรุณาใจมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความสงสาร ต่อผู้ที่ยากไรต่อผู้ที่เดือดร้อนต่อผู้ที่ตกทุกข์หน้ายากก็จะทำให้เรามีศีลคือเราจะไม่ชอบทาบาปจะไม่ชอบเบียดเบียนสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นการรักษาศีลที่เป็นบุญท่านที่สอง ไปขั้นที่สูงกว่าการให้ทานก็จะทําได้อย่างง่ายดายเมื่อเรารักษาศีลได้ใจของเราก็จะมีความสงบเพิ่มมากขึ้น mm hmm. ก็จะทําให้การทําบุญขั้นที่สาม mm hmm. คือการภาวนานี้ง่ายขึ้น mm hmm. เพราะการภาวนาก็ทําเพื่อให้ใจสงบนั่นเอง mm hmm. เมื่อเราได้รับความสงบ จากทานจากศีลไปแล้วก็ทำให้การภาวนานี้ไม่ยากคือแทนที่จะต้องทำภาวนากับใจที่ไม่สงบเต็มร้อยเราก็ได้ทำภาวนากับใจที่สงบไปแล้วร้อยละห้าสคือบุญก็ทำให้ใจสงบไปร้อยละยี่ส ศีลก็ทําให้ส100งบอีกน้อยในยีิห้าก็เหลือเทียงร้อยละห้าสิบสำหรับการภาวนาพอเราภาวนาก็จะทําให้สงบได้มากกว่าผู้ที่ไม่ได้ทําบุญไม่รักษาศีลเพราะผู้ที่ทไม่ทำบุญนี้ใจจะมีความโลภมีความอยากอยู่เรื่อยๆทําให้นั่งสมาธิไม่ได้เวลานั่งแล้วก็ อดที่จะคิดถึงสิ่งที่ตนอยากได้อยากทำไม่ได้นั่งไปเดี๋ยวเดียวก็ทนนั่งต่อไปเม่ยได้พอจะคิดอยากจะทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้อยากจะกินอยากจะรับประทานอยากจะดื่มก็เลยทำให้การภาวนานี้ไม่เป็นผลสำเร็จแต่ถ้าเราได้ทาทางได้รักษาศีลได้แล้ว เวลาภาวนานี้จะพักจะสงบง่ายแต่จะสงบได้ก็ต้องมีการเจริญสติในเบื้องต้นก่อนเพราะสตินี้เป็นผู้กํากับความคิดของเราผู้ควบคุมความคิดของเราไม่ให้คิดเรื่อยเปื่อยไม่ให้คิดไปในเรื่องที่ไม่จําเป็นต่างๆที่จะทําให้จิตใจของเราฟุ้งร้างขึ้นมา เวลานั่งสมาธิจะบริกรรมพุโทโธก็ไม่สามารถบริกรรมได้เพราะใจก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้นั่งไปนานชักเท่าไหร่ก็ไม่สงบพอนั่งไปนานแล้วก็เริ่มเกิดอาการเจ็บปวดตามร่างกายก็จะทนนั่งต่อไปไม่ได้การนั่งสมาธิที่ไม่เกิดผลก็เพราะว่า ขาดการทําบุญกาดการรักษาศีลขาดการเจริญสติอย่างต่อเนื่องดัง น, นั้นเราต้องทําสิ่งเหล่านี้ก่อนต้องทําบุญก่อนต้องรักษาศีลให้ได้ก่อนแล้วก็ต้องเจริญสติเจริญทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลานอนหลับอย่าปล่อยให้ใจเพ่นพ่านเหมือนกับอย่าปล่อย ให้ลิงนี้ไปเที่ยวไปสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นและกับเจ้าของลิงนี้เราต้องจับมันผูกเอาไว้มันถึงจะไม่ไปสร้างความวุ่นวายต่างๆใจของเราก็เป็นเหมือนลิงเราก็ต้องใช้เชือกผูกมันไว้เชือกที่จะผูกใจก็คือสตินี่เองสตินี้ก็มีหลายชนิด พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ถึง40ชนิดด้วยกันเป็นเชือกที่จะผูกลิงคือใจของเรานี้ไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไม่ให้คิดเลื่อยเปื่อยทำให้เราสามารถนั่งสมาธิทำใจให้สบายได้เราต้องเลือกสติชนิดใดชนิดหนึ่งที่เหมาะกับเราถ้าเราคิดมากเราก็ใช้พุทโธเดินมาไว้ บริกรรมพุทโธไปภายในใจตั้งแต่ตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาก็ก่อนที่จะไปคิดเรื่องราวต่างๆก็พุทโธไปเลยหรือถ้าจะคิดก็ให้คิดแต่ในเรื่องที่สำคัญที่จาเป็นเช่นว่าวันนี้วันอะไรต้องทำอะไรพอรู้แล้วก็ลุกขึ้นไปเตรียมตัวขณะที่เตรียมตัวก็ให้พุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไป ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือย้อนกลับไปคิดถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปถ้าใจเราไม่คิดมากเราหรือเราไม่ชอบใช้พุทธโธเราจะใช้การเฝ้าดูร่างกายก็ได้ให้ใจเฝ้าดูร่างกายอยู่ทุกเวลานาทีว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ กำลังจะลุกขึ้นกำลังยืนกำลังเดินกำลังทำอะไรก็ให้เฝ้าดูไปอย่าไปคิดเรื่องอื่นให้รู้อยู่กับเรื่องที่ร่างกายกำลังทำอยู่อย่างนี้ก็จะทำให้ใจนิ่งได้ไม่ลอยไปลอยมาใจก็จะสงบได้เวลาที่นั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิเราถ้าไม่ใช้บริกรรมพุโทโธ ก็ให้ใช้ลมหายใจเข้าออกอยู่ที่ว่าเรามีความคิดมากหรือไม่มากถ้าคิดมากดูลมก็อาจจะดูไม่ได้ก็ต้องใช้การบริกรรมพุทโธเพื่อสกัดความคิดไปก่อนพอความคิดหยุดแล้วไม่คิดมากแล้วเราก็ลองมาดูลมต่อดูลมถ้าดูลมได้โดยไม่มีความคิดมารบกวน ถ้าเราดูลมไปเรื่อยๆลมก็จะพาเราเข้าสู่ความสงบได้เมื่อละเมื่อใจสงบแล้วเราก็จะพบกับความสุขที่มหัศจรรย์เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายถ้าเราได้พบความสุขกันนี้แล้วเราจะเบื่อกับความสุขต่างๆที่เราเคยได้สัมผัสเช่นความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกาย ความสุขจากการได้ราบยศสรเสริญความสุขเหล่านี้นั้นเปรียบไม่ได้กับความสุขที่ได้จากความสงบของใจเราก็จะเบื่อและพร้อมที่จะตัดความอยากในความสุขอื่นๆได้เช่นเวลาเราออกจากสมาธิมาแล้วโดยนิ ส, สัยของเรานี้ปกติจะอยากทันที จะอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากจะอยากจะทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเรามีปัญญาเห็นโทษของความอยากว่าเป็นตัวที่ทำให้ใจเราวุ่นวายทำให้ใจเราไม่สงบแล้วตอนนี้เรามีความสุขความสงบอยู่แล้วเรื่องอะไรที่เราจะนินไปหาความสุขที่ด้อยกว่าที่สู้ความสุขที่เรามีอยู่แล้วไม่ได้ เราก็จะตัดความอยากต่างๆได้ตัดความอยากในรูปเสียงกิ่นลดได้เช่นอยากดื่มอยากรับประทานอยากดูอยากฟังถ้าจะดื่มจะรับประทานก็ให้เป็นเวลาให้เหมือนกับการรับประทานยาดื่มยาไม่รับประทานหรือดื่มตามอารมณ์ตามความอยากนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการทำใจให้สงบ พอได้สมาธิแล้วเราก็จะได้ความสุขเราก็จะเบื่อกับความสุขต่างๆเวลากิเลสจะมาหลอกให้เราอยากได้ความสุขชนิดนั้นชนิดนี้เราก็จะตัดความอยากได้เช่นอยากจะดูหนังฟังเพลงเราก็ตัดได้อยากจะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเราก็จะตัดได้อยู่บ้านดีกว่าอยู่วัดดีกว่าสบายเดินจงกรมนั่งสมาธิ มีความสุขกว่าเยอะแยะไม่ต้องดิ่นลนไม่ต้องเหนื่อยยากเวลาจะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ละครั้งนี้เรื่องมากต้องอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวหาเงินหาทองไว้เตรียมรถเตรียมรายทุกอย่างไว้แล้วก็ต้องไปแข่งแย่งกันบนท้องถนนต้องไปติดกันบนท้องถนน กว่าจะไปถึงที่อยากจะไปทำก็เหนื่อยไปขึ้นหนึ่งแล้วนี่คือความสุขทางโลกที่พวกเราแสวงห า, ากันมันเป็นความสุขเพียงนิดเดียวมันเป็นความทุกข์เสียมากกว่ามันเป็นความสุขแบบยาขมเครือบน้าตาลหรือความสุขเครือบความทุกข์เวลาได้อะไรมาใหม่ๆก็มีความสุข น่นเดี๋ยวไม่นานความสุขนั้นก็จางหายไปตามมาด้วยความทุกข์ที่เกิดจากความหวงเกิดจากความห่วงและเกิดจากความเสียใจเวลาที่ต้องสูญเสียสิ่งที่เราลักไปสิ่งที่เราชอบไปนี่คือความสุขที่พวกเราทุกคนแสวงหากันอยู่เป็นอย่างนี้พอเราได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบภายในใจเราแล้ว เราก็จะหูตาสว่างขึ้นมาทาันทีว่าโอนี่เราหลงไปหาความทุกข์กันมา ต, ตั้งนานแล้วนนเนี่ยไม่เคยรู้สึกตัวเลยว่ากําลังวิ่งเข้าหากองทุกข์กันไม่รู้เลยว่าความสุขนี้มันมีอยู่ในตัวของเรานี่เองเราไม่ต้องไปไหนเราไม่ต้องมีอะไรแม้แต่ร่างกายเราไม่ต้องมีก็ได้เพราะความสุขนี้ไม่ได้เกิดจากร่างกาย ไม่ได้เกิดจากสิ่งต่างๆในโลกนี้แต่เกิดจากธรรมะของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราจเจริญสติให้เรานั่งสมาธิให้เราเดินจงกรมให้เราพิจารณาไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาความสุขที่จะเกิดขึ้นในใจนี้เกิดจากธรรมเหล่านี้ถ้าเรามีธรรมเหล่านี้อยู่ในใจแล้ว เราสามารถผลิตความสุขภายในใจได้ตลอดเวลาไม่ต้องไปอาศัยร่างกายไม่ต้องอาศัยรถยนต์ไม่ต้องอาศัยบ้านไม่ต้องอาศัยคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเรานี่แหละคือคือเรื่องของวันสำคัญต่างๆที่นักปราชญ์หรือบรรพุรุษของพวกเราได้มีการกำหนด ไว้ขึ้นมาเพื่อให้เราได้ปล่อยวางความสุขจากการไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยไปทำไปดูไปดื่มไปรับประทานอะไรต่างๆแล้วค่อยให้เข้ามาทำประโยชน์ให้แก่ผู้ทำประโยชน์ด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่าทำประโยชน์ด้วยความหวังสิ่งตอบแทนแม้แต่ความขอบคุณ ก็ไม่ต้องการทําเพื่อใจของเราทําเพื่อให้เกิดบุญคือความสุใจขึ้นมาแล้วพอเราได้สัมผัสแล้วเราก็จะติดอกติดใจแล้วเราก็จะทําบุญเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราก็จะทําบุญได้เต็มที่เหมือนที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้ทํากัน mm. ก็จะได้พบกับ นิบบานังบรมังสุ ข, ขังได้พบกับบรลมสุขของพระนิพพานไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับความสุขของพระนิพพานพระนิพพานนี้ก็ไม่ใช่เป็นสถานที่พระนิพพานนี้ก็คือใจของผู้ที่ได้ทําบุญอย่างเต็มที่แล้วนั่นเองของใจที่ได้สะอาดบริสุทธิ์อย่างเต็มที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงหลงเหลืออยู่ภายในใจ งนั้นการทำบุญการทำกตัญดีของเราต้องพุ่งเป้าไปอยู่ที่การชำระใจคือชำระความโลภความโกรธความหลงถ้าเราทำแล้วเายังเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงอยู่ก็แสดงว่าเราหลงทางเราทำไม่ถูกเราต้องทำเพื่อชำระความโลภความโกรธความหลงชำระความอยากต่างๆถ้าเรายังอยาก ไปนั่นมานี่อยากทําน่นทนํานี่โดยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทําอย่างนี้เรียกว่าเป็นความโลภเป็นความอยากแล้วเราต้องทําแต่เฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นเช่นรับประทานอาหารก็รับประทานเท่าที่จำเป็นรับประทานเป็นเวลาไม่ใช่รับประทานตามความอยากถ้ารับประทานตามความอยากก็เป็นการเสริมสร้างกิเลส ต, ตัณหา ให้มีเพา่มมากขึ้นไม่ได้ตัดกิเลสตัณหาให้เบาบางลงไปเมื่อกิเลสตัณหามีมากขึ้นความทุกข์ก็จะมีมากขึ้นเพราะกิเลสตัณหานี้เป็นเหมือนฟืนที่จะทาให้ไฟที่ไหม้นี้ลุกขึ้นแรงขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราใส่ฟืนเข้าไปในกองไฟมากเท่าไหร่ไฟก็จะลุกมากขึ้นไปทานั้นฉันใด ถ้าเราเสริมสร้างกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้มากขึ้นไปเท่าไหร่ความทุกข์ภายในใจของเราก็จะมีมากขึ้นไปเท่านั้นไม่ได้มีน้อยลงไปวิธีที่จะทำให้ความทุกข์น้อยลงไปเราก็ต้องลดละความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆด้วยการฝืนเวลาโลภก็อย่าทำ เช่นเวลาโลกอยากได้อะไรก็ให้ใช้เหตุผลถามว่าถ้าไม่ได้สิ่งที่อยากได้มานี้จะตายหรือไม่ถ้าไม่ตายก็แสดงว่าไม่ไม่จำเป็นไม่ต้องเอามาเอาแต่สิ่งที่จำเป็นถ้าถ้าไม่ได้มาแล้วจะตายอย่างนี้ถึงเรียกว่าจำเป็นเช่นถ้าไม่มีลมหายใจนี้จำเป็นหรือไม่ถ้าไม่มีลมหายใจก็ต้องตาย อย่างนี้ก็ต้องหายใจต้องอยากหายใจอยู่เรื่อยๆถ้าไม่อยากหายใจเมื่อไหร่ก็จะตายเมื่ะ น, นั้นเช่นเดียวกับการรับประทานอาหารการดืนานา่มน้ำก็เช่นเดียวกันต้องรับประทานแต่ต้องรู้จักประมาณไม่มากเกินไปต้องมีเวลาเราต้องมีวินันเช่นพระพุทธเจ้าได้ทรงมัญญิทุดงควัดว่าให้ฉันวันละหนึ่งครั้ง นี่แหละคือความพอดีของอาหารต่อร่างกายวันละครั้งเดียวก็อยู่ได้รับรองได้ว่าไม่ตายอย่างแน่นอนสิ่งที่จะตายก็คือกิเลสตัณหาความอยากกินอาหารแบบไม่รู้จักหยุดจักอย่างนี้เองขอให้เราลองนำเอาไปปฏิบัติดูเถอะทำบุญให้ตามรักษาศีลภาวนาเพื่อตัดกิเลส ตัดความโลกตัดความอยากทั้งหลายถ้าภาวนาไปแล้วรักษาศิ่งไปแล้วทบุญไปแล้วเกิดความอยากเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาเช่นพระเทวทัตยอยากจะเป็นผู้ปกครองสูงแทนพระพุทธเจ้าอย่างนี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างกิเลสตัณหาไม่ได้ปฏิบัติเพื่อตัดกิเลสถ้าจะปฏิบัติเพื่อตัดกิเลส ต้องมีความอยากน้อยลงไปเรื่อยๆอยากเล็กลงไปเรื่อยๆไม่ใช่อยากจะใหญ่ขึ้นไปธรรมะยิ่งสูงใจจะยิ่งกิเลสจะยิ่งเล็กลงไปเรื่อยๆไม่ใช่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราหลงตัวเองที่ว่าเราเก่งเราวิเศษอันนั้นแหละเป็นความหลงละผู้ที่ปฏิบัติธรรมจะต้องระมัดระวังมากต่อความ หลงพ่อความหลงนี้จะหลอกให้เราคิดว่าเราวิเศษเราเก่งเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่ต้องมีผู้นับถือเราต้องมีลูกศิษย์ลูกหามาล้อมรอบเราต้องทําอะไรแบบยิ่งใหญ่อย่างนี้เป็นเรื่องของความหลงทางนั้นถ้ามันจะใหญ่ก็ขอให้มันใหญ่โดยธรรมชาติใหญ่โดยศรัทธาของผู้ที่เขา มีศรัทธาอย่างนี้ไม่เป็นปัญหาเช่นมีศรัทธายาโยมาศึกษามามาร่อมเรียนมาทำบุญด้วยจิตที่ศรัทธาของเขาเองไม่ได้มีการหว่านล้อมหลอกล่อหรือเรียกร้องให้เข้ามาหาถ้ามีการหว่านล้อมหลอกล่อเรียกร้องให้เข้ามาหาอย่างนี้เรียกว่าเป็นความหลงเพราะว่าผู้ที่ ปฏิบัติธรรมถึงขั้นสูงสูงแล้วความหิวความอยากในลาบยศสารเสริญต่างๆนั้นจะมีจะน้อยลงไปเรื่อยๆจนไม่มีหลงเหลืออยู่เลยใจอิ่มเต็มที่แล้วไม่ต้องการอะไรจากใครทั้งนั้นนี่คือหลักของการปฏิบัติทำบุญทำความดีทำเพื่อตัดความโลภความโกรธความหลงทำเพื่อสร้างความอิ่มความพอให้แก่ใจ ถ้าเราปฏิบัติขอให้เราใช้เกใช้มากวัดแบบนี้ถามตัวเราเองว่าเราอยากมากขึ้นหรืออยากน้อยลงพอมีความพอใจมากขึ้นหรือมีความพอใจน้อยลงอันนี้จะเป็นเครื่องวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติของเราถ้าปฏิบัติไปแล้วยังอยากได้นั่นอยากได้นี่ยังอยากมีนั่นมีนี่ ยังอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยู่อย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติหลงทางไม่จรเินก้าวหน้ามีกำลังกลังจะเดินถอยหลังไปเราต้องตัดความอยากตัดความโลภทุกชนิดยกเว้นความจำเป็นเท่านั้นเช่นเราอยากจะรับประทานอาหารก็รับประทานได้แต่ต้องมีเวลาและต้องรับประทานพอประมาณ อยากจะมีเสื้อผ้าเสิมใส่ก็ต้องมีพอประมาณถ้าพอแล้วก็อย่าไปซื้อใหม่รอให้มันกาดก่อนรอให้ของเก่าใช้ไม่ได้ก่อนแล้วค่อยไปซื้อมาใหม่อย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าจึงขอฝากเรื่องของการมาทำบุญในวันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาตินี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิณิพิจารณา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 ด้วยอายุวันสุขภาระโดยทั่วหน้าการเธอ